พร้อมทั้งรู้จักความสุขอย่างพระนีดด้วยความสุขอย่างพระนีดนั้นจะเป็นเครื่องคุ้มครองรักษาและค้าประกันให้การสวยการ ม, มาสุขอยู่ในขอบเขตแห่งความดีงามไอ้สวยกามอย่างมีศีลธรรมไม่ก่อปัญหาทั้งแก่ตนและคนอื่นแต่สามารถเป็นอยู่อย่างเกื้อกูลทําให้เกิดประโยชน์สุขทั้งแก่ตนเองและสังคมโดยมีลักษณะทั่วไป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 และในความสุขที่พระนิสงข์ขึ้นไปเช่นคู่อริยาสาวกบิดามารดาของนายนกุลเป็นตน้นขั้นดีคือการสวยกรารมสุขที่มีศีลธรรมแต่ยังห่างเหินจากความสุขอย่างพระนีธมีลักษณะคล้ายกับการสวยกรารมสุขขั้นดีเลิศนั่นเองคือสวยกรารมสุขไปตามปกติธรรมดา โดยยอมรับแล้วรู้เท่าทันความจริงว่าเมื่อมีกามก็ต้องมีทุกข์บ้างเป็นคู่กันมองเห็นแง่เสียหรือโทษของกามนั้นแล้วดาเนินชีวิตยังให้มีทุกข์น้อยที่สุดให้กามเกิดโทษก่อปัญหาน้อยที่สุดไม่หมกมุ่นรู้จักประมาณและพยายามปฏิบัติตนให้เป็นที่เกิดของประโยชน์สุขให้มากทั้งแก่ตนเองและแก่ผู้อื่น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 จิตใจฝักใฝ่หลงไหลกรุนคิดอยู่แต่ในเรื่องการสแสวงหาและปรนเปลิาตนด้วยสิ่งแสบต่างๆมีลักษณะเด่นเช่นในเรื่องอาหารและเรื่องทางเพศก็มีการกระตุ้นปลุกเร้าให้มีความตื่นเต้นความเครียดความกระสับกระส่ายร่ำรนกระวนกระ ว, ว, วายอย่างเกินเลยกว่าระดับที่เรียกกันว่าเป็นความต้องการตามธรรมชาติของการกินอาหารและการสืบพันธุ์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 การกินอาหารที่ไม่ใช่เพื่อหล่อเลี้ยงกายและเพศสัมพันธ์ที่ไม่ใช่เพื่อการสืบพันธุ์จะเป็นไปอย่างโดดเด่นจนถึงขั้นหมดสมนึกต่อจุดหมายเดิมกลายเป็นกิจกรรมเสพเพื่อสนองตันหาอย่างเดียวล้วนหรือการเพื่อกามโดยสิ้นเชิงและตามมาด้วยภาวะที่เรียกได้ว่าอยู่เพื่อกามหรือมีชีวิตอยู่เพื่อกินเสพเท่านั้น ในระดับสังคมเมื่อสภาพที่เลอจะขั้นปลดปล่อยระดับตามธรรมชาติกลายเป็นขั้นความเครียดกระวนกระวายที่ปรุงแต่งโดยจงใจเช่นนี้จนเป็นไปอย่างแพร่หลายเกลือแล้วสังคมนั้นจะเป็นเหมือนอยู่ในภาวะสงครามตลอดกาลชนิดหนึ่งตามปกติในภาวะสงครามย่อมจะมีการปลุกเร้าให้คนเกิดความโกรธแค้นเกลียดชังเกินกว่าระดับความรู้สึก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 เมื่อภาวะสงครามกรารเป็นไปอย่างยืดเยื้อมีกิจกรรมปลุกยุคเช่นการโฆษณาการหนุนอยู่เรื่อยๆคนจะมีความโน้มเอียงไปในทางที่จะไม่มองเห็นคนในฐานะที่เป็นเพื่อนมนุษย์หรือแม้แต่เป็นมนุษย์แต่จะมองเห็นคนในแง่ที่เป็นสิ่งสำหรับเสพเป็นเหยือ่อหรือเป็นแหล่งที่อำนวยิ่งเสะและตั้งความหวังในการที่มองเช่นนั้น หรือถ้าคนนั้นมีใช่อยู่ในฐานะจะเป็นที่เสพหรืออํานวยสิ่งเสพได้ก็จะมองเห็นในแง่เป็นคู่แข่งคู่แข่งแย่งหรือตัวขัดขวางหรือไม่ก็เป็นสิ่งเกลกะ้าไร้ประโยชน์น่ารังเกียจน่ารำคาญเมื่อคนฝากไฟหมกมุนครุ่นอยู่กับการและการเสพต่างๆฉันทะในการทําหน้าที่การงานก็เป็นไปได้ยาก ทำให้ขาดความรักงานไม่ตั้งใจในการทำงานไม่มีสมาธิระบบชันทาจะเลือนหายระบบตันหาจะเป็นใหญ่คนได้จะรอคอยจ้องเวลาที่จะไปหาสิ่งเสพทำกิจการต่างๆเพื่อมุ่งเอาการในรูปของผลประโยชน์เท่านั้นการทำงานเพื่อผลสาเร็จของงานเพื่อความดีเลือดของงานจะเสื่อมหาย มีแต่การทำงานพอให้เสร็จหรือพอให้เห็นว่าเสร็จตลอดจนการที่จะได้กรรมโดยทางลัดที่ไม่ต้องทำงานเป็นทางมาของการจุจริตและอาจญยากรรมนาน า, นาเมื่อใจโน้มไปในทางที่จะมองเห็นกันเป็นเหยื่อหรือเป็นผู้แข่งแย่งรุนฝ่ายอยู่กับการสแสวงหาสิ่งเสพและหวงแหนปกป้องกรรมส่วนที่ตนจะได้หรือที่ยึดเป็นของตน ความหวาดระแวงริษยาขมเหงกันก็เป็นไปได้มากในสภาพเช่นนั้นโอกาสที่มนุษย์จะรู้จักปิติสุขอย่างประณีตแม้แต่เพียงความสุขอย่างง่ายๆเช่นความซาบซึ้งในมัตรีจิตมิตรภาพและนำใจเมตาตาต่อกันการได้ความเ อ, อิบอิย่มสดชื่นเบิกบานเยือกเย็นใจในบรรยากาศสงบร่มรื่นด้วยจิตที่เปิดออกรับรู้ความงามของธรรมชาติเป็นต้นก็หาได้ยาก เมตกรรมมาสุขชนิดที่ซาบซึ้งชุ่มเย็นด้วยมีคุณค่าทางใจประกอบคนก็แทบจะไม่รู้จักเมื่อปราศจากความสุขอย่างสงบชาเย็นเช่นนี้แล้วสุขภาพจิตของมนุษย์ก็ตกอยู่ในอันตรายเพราะความสุขแบบการมาตัญหาล้วนๆที่เราร้อนร่านรนปราศจากปาณีตรแห่งคุณค่าทางจิตเช่นความรักความเห็นใจความเอ็นดูเอื้อเฟื้อเป็นต้น ยอมไม่ช่วยเกือกูลแก่สุขภาพจิตคนสองฝ่ายเข้ามาหากันหรือเข้ามาครอบครองเสพกันเพราะ ก, การเป็นเหตุต่างก็มุงจะเอาจากกันเท่านั้นเป็นความสุขที่มาพร้อมกับการสูญเสียสุขภาพจิตมากกว่ายิ่งกว่านั้นการคบหาหรือสัมพันธ์เพื่อเอาจากกันก็ดีงานที่ไม่ใช่งาน แต่เพื่อผลประโยชน์ตอบแทนก็ดีงานเพื่องานในที่นี้มิใช่หมายถึงงานเพื่องานโดยตัวของมันเองหรืองานล้วนๆแต่ให้เล็งถึงประโยชน์สุขของมูมนุษย์และความดีงามที่เป็นจุดหมายของการทำงานนั้นยิ่งกว่านั้นการคบหาหรือสัมพันธ์เพื่อเอาจากกันก็ดีงานที่ไม่ใช่งาน แต่เพื่อผลประโยชน์ตอบแทนก็ดีการคอยเพ่งมองแก่งแย่งผลประโยชน์กันก็ดีมักนำไปสู่ความผิดหวังความหวาดระแวงความขับแค้นและขับค้องใจชนิดที่แห้งแลง้งทำลายสุขภาพจิตเป็นอย่างมากสังคมที่ตกอยู่ในสภาพเช่นนี้แม้จะมีการอย่างนับว่าค่อนข้างบริบูรณ์คนย่อมไม่มีความสุขแท้จริง แต่มีทุกข์มากและทุกข์ชนิดแห้งแลง้งย่อมเป็นทุกข์แท้ๆที่เยี่ยมโหดมากถึงสังคมจะเพียรพร้อมด้วยสิ่งเสพแต่ชีวิตก็เปราะและเหมือนไร้ความหมายในสังคมที่ขาดแคลนผู้รู้จักความสุขสงบข้างในอย่างปราณีตก็ไม่มีแหล่งที่จะอำนวยความสุขปราณีตนั้น แม้แก่ผู้ที่ต้องการอย่างยวดยิงในขณะที่ปัญหาตามมาอีกว่าในสังคมที่หนักในกรมาสุขนั้นจะมีคนจำนวนไม่น้อยที่ประสบความผิดหวังจากกรมาสุขหรือถูกผลร้ายของกรมาสุขกระทบเข้าในรูปใดรูปหนึ่งแล้วเกิดปฏิกิริยาต่อการมมาสุขนั้นกลายเป็นเบื่อหน่ายหรือถึงกับแล่นไปทางเอียงสุดตรงข้าม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 พร้อมทั้งความล่มสลายของอริยธรรมติดตามมา